ยี่าวีสติมวัรหนึ่งปรินิพานกถา2 0งรว่าด้วยปรินิพานแปดร้อาพระอรหันต์ละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ลสกายติทิอโนตปะบางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระอรหันต์สังโยชน์าบางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธีพระอรหันยังมีราคะยังมีกิเลสยอยู่ใช่ไหมประวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระอรหันไม่มีราคะไม่มีกิเลสมีใช่หรือปรวาทีใช่ สกวาทีหากพระอระหันต์ไม่มีราคะไม่มีกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอระหันต์สังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานมีอยู่แปดพราวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระอระหันต์สังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ ปรวาทีพระอรหันต์ ร, รู้พุทธวิสัยได้ทั้งหมดใช่ไหมส ก, กวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นพระอรหันต์ะสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วปรินิพานจึงมีอยู่ปรินิพานักถาจบ 2. กุศลจิตตกถาสอรว่าด้วยกุศลจิตแ9 4ร้กสิ ก, กวาที พระอาหารหันต์มีจิตเป็นขุศลปรินิพานใช่ไหมปราวาทีใช่ส ก, กวาทีพระอาหารหันต์ยังสร้างสมบุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารทำกรรมที่เป็นไปเพื่อกติเพื่อพบเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจเพื่อความเป็นใหญ่เพื่อมีสมบัติมากเพื่อมีบริวารมากเพื่อความงามในหมู่เทพเพื่อความงามในมนุษย์ แล้วปรินิพานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์มีจิตเป็นขุศลปรินิพานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์สังสมอยู่ไม่สังสมอยู่ละอยู่ยึดมั่นอยู่กําจัดอยู่ก่ออยู่ทําลายอยู่ปรับปรุงอยู่ปรินิพานใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระอรหันต์ตังสมอยู่ก็ไมิใช่ไม่ตั้งสมอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ไม่ตั้งสมแล้วดำรงอยู่มิใช่หรือปราวาทีใช่สกวาธีหากพระอรหันต์ตังสมอยู่ก็ไม่ใช่ไม่ตังสมอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ไม่ตังสมแล้วดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพาน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 หากพระอาหารหันต์ทำลายอยู่ก็ไม่ใช่ปรับปรุงอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ทำลายแล้วดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอาหารหันต์มีจิตเป็นขุนศลปรินิพาน95ปร้าสิรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระอาหารหันต์มีจิตเป็นขุนศนปรินิพานใช่ไหมตะกวทัทีใช่ปรวาทีพระอาหารหันต์มีสติตั้งมัน่น มีสติสัมปชัญญะปรินิพานมิใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์มีสติตั้งมัน่นมีสติสัมปชัญญะปรินิพานดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีจิตเป็นกุศลปรินิพานกุตลจิตตกรถาจบ 3. าอาเนนชกถา 2องรว่าด้วยอาเนนชัสมาธิคือจตุทชาญจิต896ร้กสกวาทีพระอรหันต์ดํารงอยู่ในอาเนนชัสมาธิปรินิพานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ดํารงอยู่ในปกติจิตปรินิพานไมิใช่หรือปรวาทีใช่ สกวาธีหากพระอรหันต์ดำรงอยู่ในปกติจิตปรินิพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพานสกวาธีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในกิริยาจิตปรินิพานใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่าง น, นั้นสกวาที tomato, พระอาราหันต์ดํารงอยู่ในวิปากจิตปรินิพานไมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากพระอา ร, า ห, รหันต์ดํารงอยู่ในวิปากจิตปรินิพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอาราหันต์ดํารงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพานสกวาที tomato, พระอาราหันต์ดํารงอยู่ในอเนนชสมาธิปรินิพานใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอภยากตกิริยาจิตปรินิพานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอภยากตะวิปากจิตปรินิพานไมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอัพยากตะวิปากจิต ปรินิพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอาเนชสมาธิปรินิพานส ก, กวาทีพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอาเนชสมาธิปรินิพานใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาธีพระผู้มีพระภาคทรงออกจากจตุตชะฌานแล้วปรินิพานในลําดับติดต่อกันมิใช่หรือปรวาทีใช่ สกวาทีหากพระผู้มีพระภาคทรงออกจากจตุตถฌานแล้วปรินิพานในลำดับติดต่อกันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์ดำรงอยู่ในอนเนชสมาธิปรินิพานอนเนชะกะถาจบสี่ธรรมมาพิสมยะยะกถา211ว่าด้วยการบรรลุธรรมแปดร้อยก้าสิบเจ็ดสกวาที การบรรลุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการแสดงธรรมการฟังธรรมการสนทนาธรรมการสอบถามการสมาทานศีลการคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะการมันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นทั้งในปฐมยามและปัจิมยามแห่งราตรี ของสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการแสดงธรรมการฟังธรรมการมันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นทั้งในปฐมยามและปัจฉิมยามแห่งราตรีของสัตว์ผู้อยู่ในคันไม่มีใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีหากการแสดงธรรมการฟังธรรมการมันประกอบความเพียร เป็นเครื่องตื่นทั้งในปฐมมยามและปฐมมยามแห่งราตรีของสัตว์ผู้อยู่ในคันไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการบรรลุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้สักวารีการบรรลุธรรมสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวารีปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสมาธิฏฐิมีสองอย่างคือหนึ่งประโตโคสะ หมายถึงคำแนะนำจากผู้อื่น 2. โยนิโสมณสิการหมายถึงการใช้ความคิดถูกวิธีไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ส ก, กวาทีหากปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฐิมีสองอย่างคือ 1. ปรโตโกสะสองโยนิโสมณสิการท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการบรรลุ ธ, ธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้ สักวาทีการบรรลุธรรมของสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีการบรรลุธรรมของบุคคลผู้หลับผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืมผู้ไม่มีสัมปชัญญะมีได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นธรรมมาพิสมยกถาจบ5ถึง7ติดโสปิกถา 2องร้อถึงสองว่าดูเรื่องการบรรลุอีกสามเรื่อง898สกวาทีการบรรลุอรหัตตผลของสัตว์ผู้อยู่ในคันมีได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการบรรลุอรหัตผลของบุคคลผู้หลับผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืมผู้ไม่มีสัมปทัญญะมีได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น แ9ดสกวาทีการบรรลุธรรมของบุคคลผู้ฝันมีได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีการบรรลุธรรมของบุคคลผู้หลับผู้ประมาทผู้มีสติหลงลืมผู้ไม่มีสัมปทัญญะมีได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น900สกวาทีการบรรลุอรหัตผลของบุคคลผู้ฝันมีอยู่ใช่ไหม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 จ Rama, yes, ru, religion, uh, ิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอาจฆ่าสัตว์ได้ด้วยความฝันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลอาจฆ่าสัตว์ได้ด้วยความฝันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพยกฤิชสกวาทีบุคคลอาจลักทรัพย์ได้ด้วยความฝันพูดเท็จพูดสอดสี พูดคำหยาบพูดเพอเจ้อตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเบรีนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลวผิดพันรายาของผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคมเศ ร, รวความฝษฐกิจของผู้ฝันอาจเคลื่อนได้อาจให้ทานจีวรบินทบาทเสนาสนะคีฬานปัจจัยเภศัชบริขารของขบเคี้ยวของกิน น้ำดื่มอาจไหว้พระเจดีอาจยกดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล้ขึ้นไว้บนพระเจดีอาจทำประทักษิณพระเจดีได้ด้วยความฝันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหาบุคคลอาจทำประทักษิณพระเจดีได้ด้วยความฝันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอภยากฤต เก้าร้อยสองปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพพยากริตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีจิตของบุคคลผู้ฝันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอัพโภหาริกมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากจิตของบุคคลผู้ฝันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอัพโภหาริก ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตของบุคคลผู้ฝันทุกดวงเป็นอัพยากริตอัพยากตกถาจบ 9. อาเสวนปัจจัยักตากถา16ว่ารุดความเป็นอาเสวนปัจจัย 903. ส ก, กวาธีความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมประวาธีใช่ สกวาธิพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกสุทั้งหลายปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ที่บุคคลเสพจเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้เกิดในกำเนิดสัตว์ติรชานอำนวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตวิบากแห่งปานาติบาตอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุสั้นแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นความเป็นอาเสวนาปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่สกวาทีความเป็นอาเสวนาปัจจัยาาาาจบางอย่างไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุตรทั้งหลายอธินาทานคือการลักทรัพย์ที่บุคคลเสพจเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอํานวยผลให้ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอํานวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตวิบากแข่งอธินาทานอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้เป็นผู้เสื่อมโภคกรัพย์แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิบากแข่งกาเมสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้เป็นผู้มีศัตรูและเป็นผู้มีเวรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ วิบากแห่งมุสาวาตคือการพูดเท็จอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้ถูกกล่าวตูด้วยคําไม่จริงแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิบากแห่งปิสุณวาจาการพูดสอดเสียดอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้แตกจากมิตรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์วิบากแห่งปรุศวาจาการพูดอย่างหยาบอย่างเบาที <regarding> ่สุดย่อมอํานวยผลให้ได้ฟังเรื่องที่ไม่น่าฟังแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ วิบากเหงสัมผับปราปะการพูดเพรสเจอร์อย่างเบาที่สุดย่อมอาํานวยผลให้มีวาจาที่ไม่น่าเชื่อถือแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์การดื่มสุราเมรัยที่บุคคลเสพวิบากเหงการดื่มสุราเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมอาํานวยผลให้เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ส ก, กวาที ดังนั้นความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่ 904. สกวาธีความเป็นอาเสวนปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิที่บุคคลเสพจเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก อำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิวร ช, ชานอำนวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีอยู่จริงไม่ใช่หรือป ร, าวารวาทีใช่สกวาทีดังนั้นความเป็นนาเสวนาะปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่สกวาทีความเป็นนาเสวนาะปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมป ร, าวารวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุ ท, ทั้งหลาย มิจฉาสังกับปะมิจฉาสมาธิบุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วยอ่ออำนวยผลให้ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปราวาทีใช่สกวาทีดังนั้นความเป็นอาเสวนาปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่905าสกวาทีความเป็นอาเสวนาปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาที พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกตุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่บุคคลเจ็บเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นจุดมุ่งหมายมีอมตะเป็นที่สุดมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นความเป็นอาเสวณนะปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่สกวาทีความเป็นอาเสวณนะปัจจัยบางอย่างไม่มีใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกสุต์ทั้งหลายสัมมาสังกัปปะที่บุคคลเสพเจริญทาให้มากแล้วสัมมาสมาธิที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้ ว, คคลลวย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นจุดมุ่งหมายมีอมตะเป็นที่สุดมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ สกวาทีดังนั้นความเป็นอาเสวนาปัจจัยบางอย่างจึงมีอยู่อาเสวนาปัจจยตากถาจบ 10. คณิ ก, กากถา2องรว่าด้วยสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งเก้สกวาทีสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาที มหาปตพีมหาสมุดภูเขาสิเนรุน้ำไฟลมหญ้าไม้และไม้เจ้าป่าล้วนแต่ดำรงอยู่ได้ในจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาที จะขายัตนาเกิดพร้อมกับจักขูวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจะขายัตนาเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุจักสุที่เป็นอายตนาภายในไม่แตกทําลายรูป <perfekt ion ic bullshit> ที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองจกักรสุและความใส่ใจอันเกิดจากจักรสุและรูปก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏจกักรสุที่เป็นอายตนะภายในมไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองจกักรสุแต่ความใส่ใจอันเกิดจากจักรสุแ ล, และรูปนั้นไม่มี วิญญาณส่วนที่เกิดจากจักสุและรูปนั้นไม่ก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อใดจักรสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทาลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองจักสุและความใส่ใจอันเกิดจากจักสุและรูปนั้นก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักรสุและรูปนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาติใช่ ก, กวาธีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าจักขายตนะเกิดพร้อมกับจักขู่วิญ ญ, ญาณส ก, กวาธีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะเกิดพร้อมกับกายวิญญาณใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาธีกายายตนาเกิดพร้อมกับกายวิญญาณใช่ไหมปรวาธีใช่ ศักวาทีพระสูตรที่ว่าท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายโพธพะที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองกายและความใส่ใจอันเกิดจากกายและโพธพะะก็ไม่มีกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายโพธพะที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองกาย แต่ความใส่ใจอันเกิดจากกายและโพธะไม่มีแต่เมื่อใดกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายโพธะที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองกายและโพธะแต่ความใส่ใจอันเกิดจากกายและโพธะก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากกายและโพธะนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือ ปรวาทีใช่ส ก, กวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากายายตนาเกิดพร้อมกับกายวิญญาณเก้จปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเที่ยงย่งยืนคงที่ไม่มีความแป ร, แรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหม สกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งคณิกะกคาถาจบภาวีสติมวั์จบรวมกถาที่มีในวัคนี้คือหนึ่งปรินิพพานกถาสองกุศลจิตตกถาสาอาเนชะกถาสธรรมมาพิสมยกถา 5-7. ติดโสปิกถา 8. อัพยากตกถา 9. อาเสวนปัจจัยตากถาและ1ิคณิกากถา 23. เตวีสติมวัคหนเอกาทิปายากถา 218. ว่าด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกัน 908. จักกวาที บุคคลเสพเมถุนธรรมด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เสพเมตุนธรรมไม่ควรเป็นสมณะไม่ควรเป็นภิกษุควรเป็นผู้มีมูลขาดแล้วควรเป็นป ร, ราชิกด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีบุคคลเสพเมถุน ธ, ธรรมด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาธิบุคคลค่าสัตว์รักทรัพย์พูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเฟอร์เจอร์ตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเรือนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลี่ยวผิดภรรยาของผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคม ด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเอกาทิปายกถาจบ 2. อ, อรหันตะวันนกถา9 ว, ว่าด้วยเพศของพระอรหันต์9ส ก, กวาทีพวกอมนุษย์เสพเมนุธรรมโดยเพศของพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีพวกอมนุษย์ฆ่าสัตว์ลักจับ พ, พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคาหยาพูดเพ้อเจอตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเปรือนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลวผิดภรรยาของผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคมโดยเพศของพระอรหันต์ได้ใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอรหันตตะวันณกถาจบ สาถึงเอิสริยกามการิกากถา2อง2้อว่าด้วยการทําตามอํานาจความประงสงค์910าสกวาทีพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระโพธิสัตว์ไปสู่นรก สัญชีวะนรกกาลสุตตานรกตาปนะนรกปตตาปนะนรกสังฆาตานรกโรรุวะนรกอเวจีนรกเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีไม่มีสกวาทีหากพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาตเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์911าสักวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในคันเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีพระโพธิสัตว์เข้าถึงนรกกำเนิดสัตดิรัฉานเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในคันเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระโพธิสัตว์ได้จเจริญฉันทิฏทิบาท วิริยิธิบาทจิตติธิบาทวิมังสิติบาทแล้วใช่ไหมปารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในคันเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหมปารวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในคันเพราะเหตุทําตามอํา น, นาจความประสงค์ มีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีไม่มีส ก, กวาทีหากพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในคันเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสู่ปฏิสนธิในคันเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์912าร้ส ก, กวาที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 หลังจากตายตถาคตแล้วเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ทำ ท, ทุกรักิริยาเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหมประวาติใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่า พระโพธิสัตว right e ์ทำทุกรกิริยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีไม่มีสกวาทีหากพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์ทำทุกรกิริยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ทำทุกรกิริยาเพราะเหตุทำตามอำนาจความประสงค์913 สกวาธีพระโพธิสัตว์ทําความเพียนอื่นอุทิศศาสดาอื่นเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหมปราวาทีใช่ักวาทีพระโพธิสัตว์กลับมาสู่ความเห็นว่าโลกเที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๙๑๔สกวาทีพระโพธิสัตว์อุทิศสาสดาอื่นเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าพระโพธิสัตว์อุทิศสาสดาอื่นเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีไม่มี จักกว่าทีหากพระสูตที่ว่าพระโพธิสัตว์อุทิศจารดาอื่นเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์ไม่มีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์อุทิศจารดาอื่นเพราะเหตุทําตามอํานาจความประสงค์อิจเรยกามะกาลิกากถาจบ 8. ป, ปฏิรูปกถา2อ5 ว่าด้วยสภาวธรรมที่เทียบกันได้915าสกวาทีสภาวธรรมที่ไม่ใช่ราคะแต่เทียบได้กับราคะมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีสภาวธรรมที่ไม่ใช่ผัสสะแต่เทียบได้กับผัสสะไม่ใช่เวทนาแต่เทียบได้กับเวทนาไม่ใช่สัญญาแต่เทียบได้กับสัญญาไม่ใช่เจตนาแต่เทียบได้กับเจตนา ไม่ใช่จิต acy, แต่เทียบได้กับจิตไม่ใช่ศรัทธาเทียบได้กับศรัทธาไม่ใช่วิริยะแต่เทียบได้กับวิริยะไม่ใช่สติ <baz en ements> แต่เทียบได้กับสติไม่ใช่สมาธิแต่เทียบได้กับสมาธิไม่ใช่ปัญญาแต่เทียบได้กับปัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น916สกสกวาทีสภาวะธรรมที่ไม่ใช่โทสะ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 อปรินิพันธ์นกถาสองยสว่าด้วยสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จมาจากเหตุ 917. สเจ็ด ก, กวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีรูปไม่ใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่อิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นไม่ใช่มีความสิ้นไป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 ปรวาทีใช่สั ก, กวาทีหากรูปไม่เทียงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่สําเร็จสั ก, กวาทีทุกเท่านั้นเป็นสภาวธรรมที่สําเร็จใช่ไหมปรวาทีใช่สั ก, กวาทีสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงมิใช่หรือ ประวาทีใช่สกวาทีหากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทุกข์เท่านั้นเป็นสภาวธรรมที่สำเร็จ918สกวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขายาตนะธรมมายาตนะจักกุทธะธรรมนะากกธ า, ธรราจักขุนสี ัญญาตาวินสีเป็นสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีัญญาตาวินสีไม่ใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีัญญาตาวินสีไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดามิเทหรือปรวาที ใช่ส ก, กวาธีหากอัญญาตาวินศีไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเติมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าัญญาตาวินศีเป็นสภาวธรรมที่ไม่สำเร็จส ก, กวาธีทุกเท่านั้นเป็นสภาวธรรมที่สำเร็จใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์อัญญาตาวินสีไม่เที่ยงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์อัญญาตาวินสีไม่เทียงท่านก Boom, ไ็ไม่ควรยอมรับว่าทุกข์เท่านั้นเป็นสภาวธรรมที่สําเร็จ อภรินิพพันนกถาจบเวเตวีสติมวัคจบเตวีสติมวัคจบรวมกถาที่มีในวักนี้คือ 1. เอกาธิปายกถาสองอรหันตะวันนกถา3าถึง 7. อิสริยการมการิกากาถา8ปฏิรูปกถา ๙อปรินิพันนกถาขุททะอัตถปัญ น, นาจบรวมวัคที่มีในขุททะอัตถปัญ น, นา น, นี้คือวัคที่21เริ่มด้วยศาสนากถาวัคที่22เริ่มด้วยปรินิพัานกถาวัคที่23เริ่มด้วยเอกาธิปลายกถา รวมปัญญาที่มีในคาถาวัตถุประกรณ์นี้คือ 1. มหาปัญญาส 2. นิยามปัญญาหมายถึงทุติยปัญญาสาอนุสยปัญญาหมายถึงตติยปัญญาส 4. นิกฆะปัญนาหมายถึงจตุธาปัญนาห 5. าคุตตะอัฏฐปัญญาหมายถึงปัญญาที่เกินครึ่งไปเล็กน้อยปัญนาเหล่านี้ในคถาวัตถุประกรณ์ ตั้งอยู่ในพระสูตรเดิมเป็นหลักย่ำยีนิกายอื่นรุ่งเรืองในศาสนาของพระพุทธเจา้าคถาวัตถุปกรณ์มีสามสิบห้าพานวานจบอภิธรรมเต็มที่สี่จบ